ถัดจากเรื่องการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ก็มาดูเรื่องความเตรียมพร้อมทางกายเริ่มต้นขึ้นมาจากพระพุทธองค์ให้นั่งและเป็นการนั่งแบบค่อนข้างพิเศษเรียกว่านั่งคูบัลลังซึ่งหมายถึงการนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านได้จัดที่นั่งที่จับไว้ดีแล้วนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติ ไเองโดยธรรมชาติโดยทั่วไปการนั่งขัดสมาธิก็จะหมายถึงใช้ขาขวาซ้อนขาซ้ายมือขวาซ้อ น, ม, ออนมือซ้ายปิดเปลือกตาลงผู้ฝึกใหม่สนมากก็จะกรอบตาหลุกกลิกแล้วก็มีจิตเหมือนคนหลงทางไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับโลกภายในนี้ก็ขอแนะนำว่าก่อนปิดเปลือกตาลง ให้ทอดสายตาสบายๆไปข้างหน้าระวังอย่าเพ่งจ้องเขม็งให้ทํากิริยาเหมือนทอดมองดูขอบฟ้าทะเลด้วยความสบายใจเมื่อปิดเปลือกตาลงก็คงสายตามองไกลไปข้างหน้าเหมือนเดิมทดลองดูจะพบว่ามีอาการดํารงสติไว้เฉพาะหน้าด้วยความรู้สึกเปิดกว้างภายใน ไม่เพ่งแคบหรือคัดเคร่งฝืดฝืนแต่อย่างไรทั้งสิ้นหลายคนมักสงสัยว่าจําเป็นจะต้องนั่งคู่บาลังเสมอไปหรือไม่ความจริงแล้วอนาปานาบหรือพระสูตรเกี่ยวกับอนาปานสติทั้งหลายจะเน้นเรื่องการรู้ลมหายใจมากกว่าท่านั่งเหมือนกับเราไม่จําเป็นจะต้องไปสู่ป่าคนไม้หรือเรือนว่างเสมอไปแต่อย่างไรก็น้าตระหนัก ว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสแนะเกี่ยวกับอาการทางกายไว้เช่นนี้หากใครสามารถนั่งขัดสมาธิโดยสะดวกไม่เมื่อยขบหรือเป็นปัญหาจนเกินไปก็ควรลองไว้เพื่อจะได้รู้จักฐานที่มั่นหรือวาชัยภูมิอันเหมาะสมสำหรับการตามรู้กองลมทั้งปวงแต่หากขัดข้องจริงๆโดยเฉพาะผู้มีวัยสูงแล้วอาจจะนั่งเก้าอี้ธรรมดา จะนั่งเก้าอี้ที่มีแขนหรือไม่มีแขนก็ตามสะดวกคราวนี้ก็มาถึงขั้นของการกำหนดรู้ลมหายใจที่เกิดขึ้นตามเป็นจริงหากทำตามไปด้วยระหว่างอ่านก็อาจจะได้ผลเป็นลำดับให้ระลึกว่าต้องเห็นสิ่งที่เป็นจริงตามลำดับขั้นแล้วจะประสบความสำเร็จในขั้นนั้นๆจึงควรก้าวต่อไปแต่ละขั้นอาจจะกินเวลา เพียงสิบวินาทีหรือครึ่งนาทีขอเพียงแน่ใจภายในแล้วว่าใช่แน่รู้อย่างที่พระพุทธองค์ทรงให้รู้แน่ๆเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเกือบร้อยทั้งร้อยจะผ่านจุดสังเกตนี้ไปอย่างง่ายดายที่สุดน้อยรายจะตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงจะ ก, กําหนดรู้ลมหายใจขาออกก่อนขาเข้าโดยทั่วไปเมื่อเราตั้งใจรู้ลมหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอก็คือหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวกล่าวคือหายใจเข้ายาวแบบสูดลมเต็มปอดแต่เวลาระบายคลายพ่นออกมาเพียงสั้นพ้นคือจะเกิดสติรู้เพียงลมเข้าแต่เมื่อลมออก สติสั้นแทบหายไปหมดสิน้นสติจะกลับมาต่อเนื่องจดจ้องลมเข้าละลอกต่อไปเท่านั้นเมื่อกำหนดสติรู้ลมขาออกก่อนจะเป็นตัวอย่างขั้นดีว่าหายใจออกให้รู้ได้สบายๆต้องแบบนี้ ปกติจิตคนทั่วไปจะลอยไปลอยมาคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ตามกิเลสของแต่ละคนไม่ได้จดจ่อยอยู่กับกายที่อาศัยกายตลอด24ชั่วโมงอุบายง่ายที่สุดที่จะมาดึงจอกับกายถามตัวเองเช่นกำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าคำตอบที่มีให้ตัวเองนั่นแหละจะดึงจิตมาอยู่ในขอบเขตของกายโดยอัตโนมัติเรียกว่าเพิ่งเริ่มขั้นแรก ถ้าทำได้ต่อเนื่องสักพักเดียวจะเกิดประสบการณ์ลดทุกข์ลงได้ทันใจเมื่อจำแจ้งแล้วก็จะรู้อย่างไรในขั้นนี้ขอย้ำให้จำอาการสบายๆไว้ตลอดไป แจ่มแจ้งแล้วว่าจะรู้อย่างไรในขั้นนี้เพราะหลายคนเมื่อเข้าสู่ขั้นอื่นมักจะจดจ้องจนกลายเป็นเกรงหรือกดเข้ามาภายในซึ่งเป็นเรื่องผิดพลาดแต่ต้นมือควรสำวนไว้ไม่ให้เกิดขึ้นเลยถ้าทําแล้วยิ่งอึดอาดหรือยิ่งรู้สึกฝืดฝืนก็อาจจะคิดอย่างนี้ว่าปกติเราหายใจไม่ได้อึดอัด แต่พอเริ่มฝึกหัดอึดอัดนั้นแปลว่าการหายใจของเราไม่เป็นธรรมชาติเราไม่รู้เราไม่ตามรู้เฉยเฉยก็ต้องแก้ไขใหม่โดยหายใจเป็นปกติอย่างที่เคยไม่อึดอัดสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเพียงความรู้ตามเป็นจริงสบายๆเท่านั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้า ยาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวขอให้สังเกตว่าเมื่อมีสติรู้ลมหายใจออกมีสติรู้ลมหายใจเข้าอย่างง่ายงนั้นลมจะยาวกว่าปกติตรงนี้เป็นจุดที่เรากล่าวได้ว่าจิตสามัญทั่วไปมีความผูกพันแนบสนิทกับลมหายใจอย่างยิ่งเมื่อปรับจิตให้มาจ่ออยู่กับสิ่งที่มันผูกพันตรงๆง ผลก็คือสิ่งนั้นแสดงตัวเด่นชัดขึ้นมามากกว่าปกติเริ่องขั้นแรกพระพุทธองค์แค่ให้มีสติรู้เข้าออกเฉยๆแต่ขั้นนี้ให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวถ้ารู้ชัดอย่างนี้เป็นไปตามธรรมชาติก็จะไม่อึดอัดแต่ถ้าเข้าใจว่าจะรู้ชัดนั้นคือเพ่งเล็งเป็นพิเศษ บีบหน้าท้องหรือช่วงอกเป็นพิเศษอันนั้นก็จะเกิดความคับแน่นเกรงไม่เป็นผลดีอย่างใดรู้ชัดในที่นี้ต้องหายใจทั่วท้องผ่อนคลายเบากายไปด้วยสังเกตให้ขึ้นใจว่าจิตเพ่งหนักเกินเมื่อไหร่กายเคร่งเกร ง, กรงขึ้นมา น, นั้นไม่มีทางรู้อะไรได้ชัดเลยต่อเมื่อจิตสบายและกายเบา เมื่อ น, นั้นจะรู้ชัดจึงเกิดขึ้นอย่างนุ่มนวลเป็นไปเองสมผลให้ลมยาวอย่างเป็นธรรมชาติตามกายที่ทำงานเป็นสภาพไปด้วยเมื่อปฏิบัติจนดูลมเป็นถึงระดับหนึ่งบางคนอาจจะเห็นสายลมหายใจยืดยาวเป็นนิมิตชัดคล้าย ลำน้ำตกใหญ่ซึ่งมักจะนำเอานิมิตนั้นมาใช้ในการปฏิบัติครั้งต่ อ, ตอไปซึ่งถ้าหากสภาวะจิตอยู่ในความพร้อมก็ดีไปนิมิตแบบเดิมปรากฏทันทีแต่ถ้าหากเพิ่งเห็นนิมิตสายลมหายใจชัดเป็นครั้งครั้งเป็นครั้งแรกก็ไม่ควรคำนึงถึงนิมิตแต่ควรจะ ระ ล, ลึกถึงความจริงที่เกี่ยวกับลมหายใจไปตามลำดับขั้นเช่นรู้ว่าออกรู้ว่าเข้าแล้วก็ดูว่าออกและเข้านั้นยาวหรือสั้นอย่าเร่งร้อนอย่าลัดทางและจิตจะค่อยๆปรับอาการรู้มาเข้าทางลมอย่างถูกต้องไม่สับสนไม่กระสับกระส่ายแต่อย่างใด เมือ่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเมือ่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นตามธรรมชาติแล้วคนที่ยังไม่เคยฝึกตามรู้ลมนานๆนั้นเมื่อมีสติลากลมเข้ามากกว่าเคยระยะหนึ่งอาจจะสิบละลอกลมหายใจเข้ายาวลมหายใจยาวปอดก็จะคล้ายลูกโป่งที่อัดลมเข้าไปเกือบเต็ม เหลือพื้นที่ให้อัดเต็มเพิ่มน้อยแล้วหรือบางทีก็เกิดความล้าทางกายเพราะฉะนั้นลมทั้งขาออกและขาเข้าจะตื้นลงด้วยปกติผู้เริ่มฝึกมักจะใจร้อนหรือตามรู้ลมอย่างไม่เป็นธรรมกล่าวคือจะลากลมยาวให้ได้ทุกครั้งหรือว่าปล่อยให้ความอยากสงบนำหน้าสติรู้เห็น ธรรมดาของลมหายใจตามจริงเมื่อถึงเวลาควรปล่อยลมออกเพียงสั้นก็ไปรีดลมให้ยาวเกินโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาลากลมเข้าเพียงสั้นก็กลับพยายามดึงดูดเสียแรงอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเอาลมตามความอยากของใจไม่ใช่ตามความเรียกร้องของกาย เป็นเรื่องที่น่าสังเกตด้วยว่าหากสติของเราดีพอที่จะรู้ชัดใสไม่ว่าลมสั้นหรือลมยาวจะเหมือนจิตที่มีความเป็นอิสระจากอิทธิพลของลมหายใจมากขึ้นเรื่อยเรื่อยกล่าวคือ แทนที่จะมีสติสั้นหรือยาวตามลมก็จะแปลมาเป็นความรู้จริงว่าลมสั้นกับยาวนั้นสลับฉากการหมุนเวียนเปลี่ยนมายาวได้พักหนึ่งกายก็ดึงลมได้สั้นลงสั้นได้พักหนึ่งกายก็ขอลมให้มากขึ้นลมหายใจมีหลายขนาดแต่สติรู้เป็นกลางในอยู่อันเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้น อีประการหนึ่งที่ควรทำความเข้าใจไว้คือลมหายใจของแต่ละคนมีความสั้นยาวแตกต่างกันถ้าสงสัยว่าอย่างนี้เรียกยาวหรือสั้นก็ให้ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเปรียบเทียบยาวหมายถึงความยาวกว่าปกติจนรู้สึกได้สั้นหมายถึงน้อยกว่าที่รู้สึกว่ายาวนั่นเอง ย่อมสำเนียอว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียอว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าขอให้สังเกตด้วยว่าพระพุทธองค์เปลี่ยนลักษณะรู้ไปนิดนึงจากรู้ชัดว่าเราหายใจเป็นเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตรงนี้ในระดับประสบการณ์จะต่างกันตรงมุมมอง คือตอนแรกก็มองว่ากายเป็นเรากายเป็นผู้หายใจต่อเมื่อรู้ชัดในอาการนั้นแล้วก็มองว่าเราคือส่วนหนึ่งจากกายซึ่งเราในที่นี้ก็คือผู้รู้ผู้ดูอันเป็นอื่นไม่ได้ออกไปจากนอกจิตนี่คือเริ่มต้นของการหัดรู้หัดแยกให้ออกว่าผู้กำหนดรู้กับสิ่งถูกรู้หากแยกได้ระหว่างจิต ผู้ทำหน้าที่รู้กับลมหายใจซึ่งถูกรู้ผลคือจะเหมือนนักสืบที่ซุ่มดูบุคคลอนันเป็นเป้าหมายเดินทางออกจากประตูแห่งหนึ่งนักสืบย่อมเฝ้าสังเกตอย่างตรงไปตรงมาว่าบุคคลนั้นออกเมื่อใดเข้าเวลาไหนโดยไม่เอาความอยากของตัวเองเข้าไปเร่งรัดหรือคาดหมายใดๆจิตที่เป็นผลของการตามรู้อย่างถูกต้องนั้นแหละ จะเหมือนแยกออกไปเป็นผู้เฝ้ารู้เฝ้าดูเฉยๆในกองลมทั้งปวงไม่ว่าจะออกหรือเข้าไม่ว่าจะยาวหรือสั้นนี่คืออีกขั้นหนึ่งของอนาปานสติคือขณะแห่งลมออกและลมเข้าจิตตั้งมั่นอยู่ในอาการรู้ชักตามจริงในฐานะผู้สำเนียกและเห็นลักษณะของลมขณะนั้ น, น, นผู้เริ่มปุกก็ควรจะตั้งเป้าไว้ให้รู้ได้ คืนนี้ก็เป็นอย่างต่ำจะรู้สึกพอใจอยากรู้อย่างนี้อีกหรืออยากให้จิตอยู่ในลักษณะแนบนิ่งได้อย่างนี้อีกแรกๆจิตก็จะหนีไปคิดเรื่องอื่นไปฟุ้งซ่านเรื่องนอกลมหายใจเป็นธรรมดาต่อเมื่อค่อยๆทําค่อยๆสั่งสมกําลังความตรึกตรองเข้ามาในอาการของลมหายใจบ่อยเข้าทีละครึ่งนาที แต่ทําเสมอๆตลอดวันก็จะเป็นผลชัดว่าผ่านไปช่วงหนึ่งจะได้รู้นานขึ้นเป็นห้านาทีสิบนาทีกระทั่งปักหลักอยู่ได้เป็นชั่วโมงในที่สุดย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้า คำว่ากายสังขารในที่นี้ก็คือสภาพที่ปรุงแต่งการกระ ท, ทําทางกายเช่นความปรุงแต่งอันเป็นส่วนอื่นก่อนลมหายใจส่วนเกินอื่นๆของลมหายใจยกตัวอย่างเช่นคิดขยับมือไม้คิดเปลี่ยนท่านั่งให้ได้สะดวกขึ้นหรือคิดโยกไหวหลีกตัวจากความอึดอัด เมื่อเจริญสติจนลมหายใจเริ่มเข้าที่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็คือรู้สึกสงบกจอันส่งผลต่อเนื่องมาเป็นความสงบกายความอยากขยับอวัยวะต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวกับทางเดินลมหายใจย่อมมีแนวโน้มจะระงับลมพระพุทธเจ้าให้สำเนีจคือกำหนดรู้ความนิ่งของกายเพื่อกำกับ ให้อยู่ในความเป็นเช่นนั้นด้วยคือไม่ใช่นิ่งแล้วปล่อยให้กระจายไปเฉยๆการพิจารณาได้อีกแง่หนึ่งก็คือกายสังขารโดยในของความจมใจดึงลมเข้าออกหากจเจริญสติรู้ลมหายใจถึงระดับหนึ่งแล้วเหมือนกายจะเข้าล็อกเป็นเครื่องสูบลมเข้าออกตามธรรมชาติเรียกว่ามีความเป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องอาศัยการตั้งใจก็ได้ลงในระดับพอดีที่จะตามรู้อยู่แล้วความรู้สึกภายในก็จะเหมือนมีเวลาเหลือเฟือเพื่ออุทิศให้กับการรู้ลงหายใจอย่างเดียวไม่ต้องผสมเจตนาบังคับกายเหมือนช่วงต้นแต่อย่างใดอีกประการหนึ่งการระงับความกระดุกกระดิกอันเป็นส่วนเกินของทั้งหลาย ทำให้เกิดความสงบทั่วพร้อมและมีศูนย์กลางอยู่ที่ลมหายใจออกเข้าเพียงลำพังไม่จดจ้องคับแคบอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเพราะรูปพร้อมตั้งมั่นอยู่กับกายทั้งหมดเป็นฐานเมื่อทำถูกส่วนดีแล้วดีระยะหนึ่งผลคือจะรวมจิตให้อยู่กับที่และก็มีลักษณะเบิกบานแผ่ออกไม่หลงเหลือความเพ่ง เกรงรัว้วฝืนตรงไหนถึงขั้นที่บางคนอาจรู้สึกเหมือนกายเป็นหุ่นปั้นหรือเหมือนจิตเข้ามาอาศัยโรงกายในหุ่นกระบอกหากหายใจจนไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ขอให้ลองสังเกตว่าถ้าเราเริ่มหายใจเข้าด้วยการขยายหน้าท้องออกเล็กน้อยก็จะได้ลมหายใจดีขึ้น ภาวะทางกายสบายขึ้นแต่ถ้าหากทดแแรงแล้วฝืนเกรงก็ไม่จาเป็นจะต้องคำนึงถึงหน้าท้องขยายให้หายใจไปตามปกติต่อไปอย่างที่กล่าวแล้วว่าอนาปานัมบัตนั้นเราไม่ได้ฝึกหายใจแต่ฝึกรู้กองลมทั้งปวงเป็นหลักถึงตรงนี้หากทดลองทําก็จะรู้สึกติดขัด เลื่อนระดับจากขั้นหนึ่งไปยังขั้นถัดไปไม่ได้ก็ขอให้ทำตัวเป็นผู้ตรวจสอบตนเองเช่นถามในใจง่ายๆว่าเรามีสติรู้ลมออกไหมเรามีสติรู้ลมเข้าไหมหากว่ามีอยู่ก็ลองสังเกตลมในระดับต่อมาว่าเรารู้ขนาดของลมหายใจไหมว่ายาวหรือสั้นหากสามารถรู้ได้ตามจริง ก็ถามตัวเองต่อไปว่าเรากำหนดรู้ล่วงหน้าได้ไหมว่าลมออกและเข้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ยาวหรือสั้นหากสามารถรู้ได้ตามเป็นจริงก็ถามตัวเองต่อไปว่าเราทำความนิ่งกำจัดความเคลื่อนไหวส่วนเกินที่จำเป็นต่อการหายใจออกและเข้าได้หรือไม่นอกจากถามตัวเองเกี่ยวกับส่วนที่ถูกแล้ว ก็อาจจะถามตัวเองเป็นระยะเกี่ยวกับส่วนที่ผิดไปด้วยเช่นว่ากำลังทําทาอยู่นี้มีความเกรงไหมมีความพุ้งซ่านซัดสายออกไปแล้วไม่ยอมดึงกลับไหมมีความคาดหวังความสงบจนหลงลืมลมหายใจเฉพาะหน้าไหมเป็นต้นทบทวนไปมาจะทราบว่าอุบายของพระพุทธองค์ในอันที่จะให้เราดิ่งลงสู่ความสงบและก็มีความรู้ ภายในแนบสนิทกับลมหายใจนั้นน่าทึ่งยิ่งนักเพราะแม้ผู้ไม่เคยมีประสบการณ์สมาธิมาก่อนก็อาจจะลิ้นรถความสงบสุขได้ในเวลาอันรวดเร็วเพียงกำหนดทิศทางรงู้ลมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามที่กล่าวมาดูกระลัภิกษุทั้งหลายในช่างกลึงหรือลูกมือของในช่างกลึงผู้ขยัน เมื่อชักเชือกกลึงยาวก็รู้ว่าชักเชือกกลึงยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ว่าชักสั้นแม้ฉันใดเอ็กซุก็ฉันนั้นเหมือนกันคงจําได้ว่าเมื่อเริ่มแรกสุดพระพุทธองค์ให้กําหนดสติรู้อย่างธรรมดาแต่เมื่อถึงขั้นสุดท้ายที่ผ่านมาคือกาหนดความระ ง, งับส่วนเกินทางร่างกาย ก็อาจจะพัฒนาต่อไปเป็นสติที่ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับเพื่อความเข้าใจสติที่ใหญ่ขึ้นดังกล่าวพระพุทธองค์ให้เปรียบเทียบการคุมสติกับการชักเชือกกรึงของช่างผู้ขยันการกรึงในสมัยพุทธกาลใช้เชือกในการชักแกนที่จับวัตถุต้องการจะ ก, กรึงให้หมุน แล้วใช้ใบมีดจอเพื่อกึงวัตถุที่หมุนนั้นหากนึกให้ง่ายก็คล้ายกันก็คงจะเหมือนเราเอาสองมือจับปลายเชือกแต่ละด้านที่แปนบนราวแล้วผลัดกันผลัดข้างลากลงด้วยมือขวาบ้างมาฝั่งขวาบ้างลากลงด้วยมือซ้ายบ้างมาฝั่งซ้ายบ้าง เมื่อทำงานกรงแบบคนขยันใจต้องจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าชักเสือกยาวสั้นอย่างมีสติรู้สม่ำเสมอไม่วอกแวกไปไหนพระพุทธองค์ให้เรากำหนดไว้ในใจว่าจะตามลมหายใจเข้าออกเสมอกันกับงานกรงดังกล่าวนั้นความแน่แน่ย่อมเกิดขึ้นโดยไม่มีการเกียนว่าลมจะเข้าหรือ ว่าเป็นสายยาวหรือว่าสั้นไม่เกี่ยนว่ากำลังสบายหรือไม่สบายกายสนใจแต่การดูโลกภายในที่สายลมหายใจปรากฏเหมือนเชือกที่ถูกชักยาวบ้างชักสั้นบ้างเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสั้นก <To S 1> <izi> ็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นย่อมสำเหนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจะระงับกายสังขาร หายใจเข้าหากใครเคยฝึกรู้ลมหายใจด้วยอุบายต่างๆมา ก, ก่อนก็จะพบว่าขั้นตอนกำหนดรู้ของพระพุทธเจ้านั้นลัดตรงเข้าสู่อาการสงบรู้ได้เร็วที่สุดแล้วไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นเหมือนแค่มีลมหายใจผ่านเข้าออกผ่านเข้าผ่านออกให้จิตนิ่งรู้เฝ้าดูอย่างเป็นสุข เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วลืมทางเข้าถ้าได้ทบทวนตามลำดับของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าเข้าได้ใหม่โดยสะดวกถ้าหากว่าพยายามตรึกนึกเอาเองพยายามสร้างภาวะเรียนแบบเอาเองก็จะทราบว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรหลักของพระพุทธเจ้าจะไม่ให้สังเกตจุดกระทบไม่ให้ประกบติด กับจุดใดจุดหนึ่งทางกายเอาเพียงรู้ว่ายาวหรือสั้นเป็นพอซึ่งก็จะได้ผลตรงกันเป็นสากลแต่ต่างจากผู้รู้กระทบซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากกันแล้วก็ได้กระทบไม่สม่ำเสมอแม้ในคนเดียวกันขอให้สังเกตว่าทุกขั้นตอนที่กล่าวมาจนถึงบัดนี้ล้วนต้องอาศัยความจงใจของตัวเราทั้งสิ้น จึงจัดเป็นงานสมถะยังไม่อยู่ในระดับวิปัสนาเมื่อถึงขั้นกำหนดระ ง, งับอาการส่วนเกินของกายจิตจะสงบและรู้สึกตื่นขึ้นภายในเหมือนช่างกลึงผู้ขยันสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสเทียบการสังเกตลมในขั้นต่อๆไปจะเป็นแนวเดิมทุกประการเพียงแต่ลักษณะของสติและกำลังมากขึ้นมีความสบายขึ้นเป็นธรรมชาติ ยิ่งขึ้นมีผู้แนะให้ฝึกหายใจแบบจงใจละเอียดเป็นลําดับกระทั่งเข้าสู่ความสงบระงับลมหายใจหลายคนทําแล้วเกิดความอึดอัดมากบางคนถึงขั้นหายใจไม่ออกและก็มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจในเวลาต่อมาขอให้ทราบว่าความละเอียดของลมหายใจจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความละเอียดของจิตเมื่อจิตหยาบ ลมหายใจก็อยากเมื่อจิตละเอียดลมหายใจก็ละเอียดไม่มีใครไปสั่งได้ด้วยเจตนาว่าขอลมหายใจจงละเอียดหรือระงับไปเพื่อให้เกิดฌานขั้นนั้นขั้นนี้หน้าที่ของเราควรจะมีเพียงรู้ตามจริงเป็นลำดับตามแนวของรพระพุทธองค์เท่านั้นการดับไปของลมหายใจนั้นมีอยู่ กล่าวคือร่างกายจะเข้าสู่ภาวะยุติลมเมื่อถึงสมาธิขั้นสูงแต่ตรงนั้นไม่ใช่ขั้นตอนของการฝึกหัดในอนาปานะบัตหรืออนาปานสติขอให้พิจารณาจากมหาราหุโลวาทัสูตรพระสุตตปิดกเล่มที่หที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในสุดท้าย หลังจากผ่านขั้นต่างๆมาแล้วความว่าดุกระราหุนอานาปานสติที่บุคคลจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่ดุกระราหุนเมื่ออนาปานสติอันบุคคลจเจริญแล้วนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกซึ่งมีในที่สุดท้ายก็ดับไป โดยรู้วม่ใช่ไม่รู้ตรงนี้ย่อมชี้ชัดว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ให้ฝึกหยุดหายใจแต่เมื่อเข้าส่วนดีแล้วลมหายใจจะยุติเองอย่างที่เป็นที่รู้ของผู้ที่มีสติสมบูรณ์การฝึกรู้ลมนั้นแม้ง่ายและเป็นธรรมชาติแต่หากรู้สึกเมื่อล้าก็ขอให้หยุดพักเมื่อรู้สึกพอใจ ก็กลับมาทำอีกอุปกรณ์ในงานสมถานี้ติดตัวเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงจะนั่งยืนเดินหรือกระทั่งนอนก็สามารถทำอนาปานสติได้ทุกเมื่อหากทำตามแล้วกลับมาอ่านซ้ำเรื่อยๆก็จะค่อยๆเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ดังพันนามาชะนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างหลังจากทำสมถะมาจนกระทั่งเกิดความเห็นตัวสภาวะของลมเข้าออกจนจิตเลิกคิดเลิกสัจสยัยมีความตั้งมั่นพอสมควรก็สามารถสำรวจตัวเองได้จากความสามารถรู้ลมออกตามในดังขังน้นต้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว ก็มาถึงขั้นของการพิจารณาสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นชัดนั้นโดยความเป็นสภาวะธรรมคำว่ากายในกายในบับนี้ของกายานุปัสสนาก็คือลมหายใจนั่นเองดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดในอนาปานสติสูตรตอนหนึ่งมีความว่าเรากล่าวว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้านี้ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในพวกกาย คือท่านให้ถือตามมุมมองผู้ปฏิบัติว่าลมหายใจเป็นกายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่นั่นเองส่วนคําว่าภายในมุ่งเอาส่วนที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นที่ตั้งของความหลงผิดว่านี่คือเราเช่นนี้คือลมหายใจของเราขอให้สังเกตว่าเมื่อมาถึงขั้นพิจารณากายในกายแล้วพระพุทธเจ้าจะตัดคําว่าเราออกไป คือภาวะรู้ลมหายใจดีนั้นประสบการณ์ภายในจะเหลือแต่อะไรอย่างหนึ่งศัตท์ว่ารับรู้ลมอยู่พระพุทธองค์ใช้คำว่าภิกษุเพื่อสมมุติแทนฝ่ายฝังเท่านั้นไม่ได้ทำให้เกิดฝักฝ่ายของอัตตาผู้กำหนดแต่ลมหายใจขอไปค่ะผู้กำหนดลมแต่ประกาศ